ชาไปห่อยเล่มคำว่าคอยเลยหรือคนดีนับจากวันให้สนดาทนวมมาไม่ถึงสี่ปีกลับมาวันนี้น้อมเล่มพี่แล้วพี่กุสา ยิดมันสัญญาไม่เคยแตกแทวคอยบอกตัวเองทุกวันแค่ฝันในใจเมื่อแอพ้ปุ๊บถักะแลว้วเมื่อตอนกลับมาไหลก็ให้เขาปุ้มมือลุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนพอ่อยยาวก็ไม่เขาจับเขาคลา้ำ สิ่งที่ส่งวันไว้รอบวันนี้โดนเขาล้วนลับส่วนที่พี่หวมพี่ย้ำความนามเขาลมลูกนายวีซึ่มใจเธอให้คอยรับเราเจ้าคอยไม่ไหว ที่กลับมาตามสาัญญาแต่เจ้าไม่ว่าลาใจหลอกดีคำใบ้หนว่าจะเปอน ไลก็ให้เขาปูนเมื่อนุ่มก็ให้เขาจับแก้มนวลเนื้อเนียนพอ่อยาวยอมให้เขาจับเขาคลา้ำสิ่งที่สงวนไว้รอบวันนี้โดนเห่าล้วงลับส่วนที่พี่ว่อพี่ยำความลามเขาลมลูกลายนี้ เสื่อมใจทำให้คอยรับเราเจ้าคอยไม่ไว้พี่กลับมาตามสัญญาแต่เจ้าไม่ว่าลาใจหลอกพี่ทำไมไหนว่าจะพร